ะระหวางที่รอพระตังอาหารก็ฟังอะไรไปเรื่อยๆก่อนมีเพื่อนคนหนึ่งเป็นเทยาบาลก็เจอคนไข้ที่เป็นชาวต่างชาติหรือต่างด้ามมีเยอะนะตอนสวน่คนไข่ที่เป็น นอนมีบาของอบติเหตุก็เยอะโรงแรงๆก็มากแกก็เป็นคนที่มีน้ำใจก็ดูแลใจใส่คนไทยดีแล้วก็มีอย่างที่แกแนะนำให้คนไทยทำเป็นประจาวก็คือยีเวลาเห็นคนไทยนอนหรือก็ ทักชวนให้คือขอร้องให้คนไข้ไม่ยิ้มนะไม่ได้ยิ้มให้แบบตัวเองไม่ได้ยิ้มให้กับพยาบาลแต่ยิ้มให้กับแผลยิ้มให้กับขาที่หักหรือว่ายิ้มให้กับก้อนมะเร็งนะใหม่ๆคนไข้ก็งงนะนีน่อะไรเนี่ยโดยพาะคนไข้ในประเทศต่างๆคือยังไม่เคยรู้เรื่องแต่ต่อหลังก็ เหนเพียบานยิ่งเขาพยินบ้างยิ้มให้กับตัวเองยิ้มให้กับแผลยิ้มให้กับความเจ็บป่วยก็ปรกว่าหน้าตาก็ของสายมากขึ้นซึ่งก็น่าจะส่งผลให้สุขภาพดีขึ้นด้วยการฟื้นตัวเร็วขึ้นด้วยเดี๋ยวนี้ี่คนเขาก็รู้แล้วว่าการยิ้มนี่มัน มีผลต่อจิตใจนะเวลาคนเราดีใจเราก็ยิ้มแต่ในทางเวลาเรายิ้มมันต้องมีผลต่อจิตใจถ้าไม่เชื่อเราก็ลองยิ้มดูนะเวลาเรายิ้มเราจะรู้สึกว่าจิตใจผ่อนคลายแต่ถ้าเราทำหน้าบึ้มจิตใจก็จะแห้งๆหรือเหี่ยวก็มีการทดลองนะ ให้คนสองกลุ่มคนหนึ่งคนกลุ่มนี้ก็คาบดินสอคาบดินสอนเวลาเราคาบดินสอเนี่ยปากเรามันจะเหมือนกับกำลังยิ้นอยู่อีกกลุ่มนึงให้อ้อมดินส อ, อไว้ตรอมตรงกลายดินสอนะปากมันจุ๋ยๆแล้วก็คล้ายๆแบบหน้าบึ้มแล้วเขาก็ให้สองกลุ่มนี้ไปดูกระตูน เป็นการ์ตูนที่มีสาระเหมือนนะไม่ป็นกา ร, ร์ตูนแบบตลกเพลินๆอย่างเดียวกลุ่มคนที่คาบดูนสออยู่เนี่ยเขาจะบอกว่าเนี่ยการ์ตูนนี้มันสมุดดีกลุ่มคนที่บอกการ์ตูนการ์ตูน กลุ่มคนนี้เนีกลุ่มคนที่คามดินสอเนี่ยก็จะรู้สึกกระตุ้นสนุกกว่ากลุ่มคนที่อมดินสออยู่อันนี้มันก็แปลกนะเพียงแค่เราทําปากเสมุอกับยิ้มเนี่ยมันก็ทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าอาจกระตูนแล้วมาสนุกขึ้นคนที่ทําปากจูบเขาก็ไม่ได้ไม่ได้มีอาการพึ้งอะไรแต่หน้าตายเขาเนี่ยมันโดนจะพึ้ง ของอางกระตูนก็จะรู้สึกว่ามันมันสนุกไม่เท่าคนในกลุ่แมแค่เพียงแค่ขยับก้ามเนื้อมันใบนหน้าเราให้เป็นเสมือนยิ้มหรือว่าให้เป็นเสมือนบื้องนี้มันก็มีผลต่อจิตใจและความรู้สึกนม่คิดได้เหมือนกันอันนี้มันก็ก็เป็นการชี้เห็นว่ากายกับใจสัมพันธ์กันนะเวลาเรามีความสุข ร่างกายแล้วก็ตอบสนองเป็นรอยยิ้มเวลาเรามีความทุกข์ร่างกายแล้วก็ตอบสนองเป็นหน้าบึ้นนะอันนี้เรียกว่าจิตมีผลต่อ ก, กายแต่ในอีกทางหนึ่งกายก็มีผลต่อกิจเวลาเราทำหน้ามันจะยิ้มเราจะรู้สึกดีขึ้นนะรู้สึกผ่อนคลายแต่ถ้าท เ, เราทำหน้ารื่นใจมันก็จะไปอีกทางึง เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเวลาเรามีความทุกข์ขึ้นมาเวลามีความเบื่อความความหงาขึ้นมาหีอแม้แต่ความโกรเราลองยิ้มให้กับตัวเองดูเราจะรู้สึกว่ามันมันดีขึ้นอันนี้ก็เป็นวิธีการที่ที่ช่วยยกรจิตใจของเราให้ให้ดีขึ้นได้ เวลาเราจะทำสมาธิเนี่ยไม่ว่าจะตามลมหายใจหรือว่าเดินจงกรมสร้างจังหวะลองลองยิ้งแตตัวเองยิ้มน้อยๆเราจะรู้สึกเลยว่ามันโปร่งขึ้นถ้าใครเริ่มต้นลมตามลมหายใจเริ่มต้นทางการปฏิบัติด้วยใปหน้าที่ึงเนื่อมันจะเครียดได้ง่ายนักปฏิบัติหลายคนก็จะมีปัญหาเรื่องความเครียร ถ้าลองสังเกตดูวเวลาเราเครียดเน่เราก็จะบื้อแต่ถึงแม้เราไม่เครียดแต่เราทำหน้าบื้อมันก็จะพลอยทำให้เราเครียดเลยนานแต่ถ้าเราทำทาหน้าให้ยิ้มนะไม่ต้องยิ้มบางฉังก็ได้นะให้ยิ้มเล่น้อยก็จะดีขึ้นไม่ใช่ดีขึ้นกับเราดีขึ้นกับคนอื่นด้วยมีคนไข้คนวนึงเขาถูกจ่อ ถูกเจาะสันหลังเขาจะปวมากหรืว่าพยาบาลหลายคนที่เจาะสันหลังนี่เจ็บมากแต่มีพยาบาลคนที่เจาะนี่ไม่เคยเจ็บเลยเสมอกับว่าพยาบาลคนนั้นเนี่ยมือนิ่งก็มีคนไปถามพยาบาลคนนี้ว่าทํายัางไงนะเวลาเจาะสันหลังให้คนไข้นี่คนไข้ ส่วนใหญ่ไม่ค่อยปวดเท่าไหร่มือนิ่มหรือเปล่าทำยังไงเขาบอกเขไม่ได้ทําอะไรหรอกเวลาเขาก็เป็นแต่ ว, ว่าเวลาเจอคนไข้เขาก็ยิ้มให้คนไข้แล้วก็พูดกับคนไข้ด้วยคําพูดที่อ่อนหวานอ่อนโยนคนไข้พอเจอพยาบาลยิ้มให้นะเขาก็จะรู้สึกว่ารู้สึกถึงเมตตาของพยาบาล เมื่อเวลาเพรียบาลนี่นนนเอาเข็นทิ่มสารหลังเขาเขาจะรู้สึกว่ามันเบามันไม่ค่้เจ็บเท่าไหร่จะเรียกว่าเป็นเรื่องความรู้สึกมากกว่าเป็นเรื่องของน้ําหนักมือเน้ําหนักมือในทางหนึ่งแต่ว่าความรู้สึกของเพยาบาลที่เขายิ้มให้มันก็ถ่ายทอดให้กับคนไข้ทาให้คนไข้เขารู้สึกว่าเออมือเพยาบาลตคนนี้เบา อันนี้เรียกว่าเป็นเป็นเป็นอนุภาคของรอยยิ้มแล้วก็ความเมตตาไอ้ความเจ็บไม่เจ็บเนี่ยมันเป็นเรื่องของความรู้สึกมากทีเดียวนะไม่ใช่เป็นเรื่องของว่ามีอะไรมามาทิ่งมาแทงเราหนักหรือเบาก็าบอกว่าคนที่เวลาเวลาจะถูกฉีดยานเนี่ย ถ้ามีความกลัวเข็นเนี่ยพอถูกเข็นทิ่มเข้าไปนี่จะรู้สึกเจ็บมากกว่าคนที่ปกติไม่ได้กลัวเข็นเนี่ยถึงสามเท่านะก็แสดงว่าความกลัวมันเพิ่มความเจ็บเป็นสองเป็นสองเท่าความเจ็บมันมีอยู่แล้วแต่การที่ถูกเข็นทิ้มแต่ว่าคนที่กลัวเนี่ยก็จะทําให้ความเจ็บมันเพิ่มขึ้น เป็นสองเท่าสามเท่าเรียกว่าความความเจ็มันคูณสองคูณสาเพราะความกลัวแต่ถ้าเกิดว่าคนไข้เขามีได้เจอเพยาบาลที่เขายิ้มแยน้นรู้สึกว่าพยาบาลคนนี้มีเมตตามีความใจใสในความกลัวมันก็ทุเราลงเพราะว่ามันไม่มียาที่ระงับความกลัวได้ มีแต่มีโอสดบางอย่างที่ระงับความกลัวได้อันนึ่คสติอันที่สองคือความเมตตาความเมตตายเด็กก็กลัวเด็กกลัวน่อนกลัวนี่แต่พอได้มีแม่อยู่ใกล้ความกลัวก็หายไปคนไข้ที่กลัวกลัวเจ็บกลัวมะเร็งกลัวผ่าตัดกลัวตาย แต่มีพยาบาลที่มีความรักความเอาใจใส่หรือมีญาติที่ดูแลใจใส่ดีมีความรักให้ความรักความมั่นใจความกลัวก็หายไปทุกวันนี้ไม่มียาที่จะระงับความกลัวได้มีแต่ยาระงับความเศร้ายาระงับความปวดมีนะแต่ยาระงับความกลัวนี่ยังหาไม่เจอแต่ว่ามันมีธรรมโอสถที่ช่วยได้ ที่จรแล้วแม้แต่ยาแล้วก็ความปวดยาแล้วั็ความเร้ามันก็ที่เป็นเม็ดนะหรือว่าเป็นน้ำมันก็ไม่ได้ยังไม่ชันักเท่าไหร่โดยเพาะกับคนไข้ที่เขามีความทุกข์ความวิตกกังวลมากๆบางทีให้ยาไปยาแล้วก็ปวดไปได้ผลแค่สิบ้านาทีเดี็กก็ดิ้นใหม่แล้วก็ที่ลงทลายใหม่แต่ว่าพอมีคนมาให้ความนักความเอาใจใส่มาปลอบกายเขาได้ระบายความทุกข์ ได้ระบายความโกรธนะปรากฏว่าไอ้ความโปวดอหายไปหายไปเยอะเลยหรือว่าได้ไม่ถึงพระมถึงเจ้าไึ่ถึงบุญกุศลที่ได้ทําความปวดก็หายไปอันนี้เรียกว่าชะักกว่าชําัะกว่ายาสิ่งก็ฝากไว้นะเป็นอาหารใจตเตรียมละคร